วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2536 เป็นการ 15 ดวงก็เรา 18 นั้น 2 ชาติอ่ะคือชาติหนึ่ง 3 ดวง ซึ่งเป็น 3 ดวงสุดท้ายได้แก่ปัญจตวาราวชณจิตมโนตวาราวชณจิต ประกอบอยู่ในจิตนั้นในความรู้สึกของจิตเหล่านี้ไม่มี และความไม่หลงซึ่งเป็นชื่อของปัญญาประกอบอยู่ในนั้นด้วยเพราะที่ไม่มีเหตุ ที่เรียกว่าเหตุกะวิบากจิตนั้นเป็นจิตที่เกิดจากคือกรรมที่ ในขณะแรกเห็นไม่ดีคือขณะเห็นตาเห็นรูปที่ 1 ใน 15 ดวงนั้นที่กล่าวว่ามีกําลัง ทำเอาไว้ดีเช่นว่าสร้างโบสถ์วิหารหลานจะดีเช่นๆ เมื่อกรรมนั้นให้ผลต้องย้ําว่าเมื่อกรรมนั้นให้ผลก็จะเห็นแต่รูปที่ๆทํา ทำไมจึงชื่อว่ามีกําลังอ่อนผมจะยกตัว จิตที่เรียกว่าจักขุวิญญาณจิตฝ่ายกุศลวิบากที่มีกําลังอ่อนมีกําลังอ่อนอ่าเมื่อมีกําลัง ไม่ได้หมายให้เอากําลังในทางสภาวจิตเพราะว่าจิตที่เห็น วิบันดแล้วก็ดับไปแล้วก็ดับไปจากสุญญาณที่เกิดตรงนี้เกิดเพียงขณะเดียวด้วยแล้วและไม่มี จึงไม่มั่นคงทั้งโดยตาสื่อต่อ การเปรียบเทียบกล่าวคือว่าเมื่อทรงตรัสไว้ในที่อื่นว่าการเกิดขึ้นของพระๆโดย ในสังสารวัฏของเราเนี่ยเช่นว่าใน 10 อสงไขยใน 10 อสงไขยนั้นถ้าหากว่ามีสักหนึ่ง 1 กับที่เป็นจุด ก็นับได้ว่ายากต้องมีอ่าโอกาสก็ไม่รู้จะเทียบอัตราส่วนยังไงอ่าโอกาสระหว่างการได้เห็นกับการไม่ได้เห็นเนี่ยมันจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นเองอาจมันสัก 4% กี่ส่วนยังไงต้อง เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยากเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะพึงเป็นผู้เลื่อมใสใครจะได้เห็นจะได้ฟังก็เป็นสิ่งที่เป็นไป และอีกอย่างหนึ่งก็คือผลจากการได้เห็นผลจากการได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือผลจากการเมื่อได้เห็นแล้วย่อมเกิดศรัทธายิ่ง คือเป็นนี่เป็นการที่ประเสริฐคือเป็นของที่สูงๆเหล่านี้เพื่อให้ท่านแยกความว่าถามว่าเหมือนฟัง ก็คนที่ว่าทรงปรัตๆนั้นก็ทรงปรัตโดยหมายความอย่างที่ได้กล่าวมาแต่เมื่อกล่าวในแง่ของสภาวะจิตแล้วจิตย่อมมี อริขัตติยะตระกูลหรือปราหมณ์ตํมนสกุลเป็นตระกูลชั้นสูงแม้ว่าการได้เกิดในสกุลของขัตติยะหรือของ สาเหตุนั้นวิบากจิตที่กล่าวถึงในอเหตุกจิต 15 ดวงนี้เป็นผลกรรมที่ปรากฏทางจิตที่เป็นจิตอนเรา จัดเลยไปจากอเหตุกจิต 28 เช่นมหาวิภากจิต 8 ดวงหรือมหาคตาวิภากจิต 9 ดวงเช่นโลกุตตรวิภาก 4 ดวงและ อารมณ์ของจิตนั้นก็เป็นอารมณ์ที่สูงส่งด้วยคือมีนิพพานเป็นอารมณ์อ่าสําหรับวิบาก จึงได้ฟังได้รู้ได้เห็นในอารมณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยครับอารมณ์ทั้ง ทางหลายๆเหตุที่ล้ําลึกคุยพูดในตอนนี้อ่าเช่นว่าที่เป็นกุศลกรรมหนักกรรมนั้นน่าจะทําให้ ทำไมจึงทําให้เกิดวิบากปิดที่มีกําลังอ่อน แล้วเวลาที่เราทํากรรมกามาจารย์กามครั้งนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เช่นเราไปบาตรครั้งนึงอย่าไปนึกว่าเวลาเราใส่<อ> เดิมจงชมครั้งหนึ่งในขั้นที่ยังเป็นกามาวจรภาวนาอยู่มันก็จะเห็นว่าสูงๆต่ําๆค่อนข้างจะไม่คงเส้น อายุขิตของกามอาวัจรสัตว์ใน 31 ภูมิเนี่ยเอาแค่มนุษย์เป็นหลักเนี่ยๆดอนๆๆจะเห็นว่าลุ่มๆๆๆอย่าง เป็นชั่วโมง 10 นาทีในชั่วโมงหรือหวั่นนึงแล้วแต่ไหนเนี่ยเราพบได้เลยว่าไอ้ชีวิตของเราถูกหลอกนะเหมือนถูกหลอกถูก 1 มันไม่เป็นสารภาพ 2 มันถูกหรอกถูกหรอกอยู่เกือบเราเห็นเลยเลยว่าไอ้ความ เอออยู่นั่งอยู่ดีๆหรือไม่มีอะไรที่มาบาดหูบาดตาแต่ทําไมใจ บางเวลาก็รู้สึกๆเนี่ยไอ้กรรมมันสร้างมันแปรปรวนตามจังหวะของมันว่าในขณะนี้อกุศลวิบาก แล้วอยู่ๆนะครับเวลาก็จะไปก็หายไปอย่างที่เรียกว่าอนัตตรวนวงวัฏจักรมันหมุนเวียนอยู่อย่างที่ อารมณ์ที่น่าสบายแล้วก็ไม่โทมนัสไม่เสียใจไม่มุ่งร้ายกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจที่ มันหายไปด้วยกันทั้งคู่มันเปลี่ยนไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งความรู้สึกที่น่าพอมัน เดี๋ยวเช่นเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งๆไปเดี๋ยวก็เมื่อยอันนี้ทานลมใช่มั้ยพอเกิดลิยาบท ทางตาที่เราเห็นอะไรแต่เราน่ะไม่ได้เอาสติเข้าไปกําหนดดูไม่ได้ ตามระดับของอิตาลมนิตาลมไว้ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ของแต่ละคนนะขอให้นึกตรงนี้นะฮะว่าตามเกณฑ์แต่ละคนเพราะคนเราเนี่ยมีปกตินะได้ยินได้เห็นได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้ แต่ว่าบางคนเค้าก็รู้สึกว่าแหมพิเศษพิเศษสําหรับเค้าที่เป็นอย่างนั้นบ่อะไรตัว ตั้งราคาเอ่อความชอบไม่ชอบเอาไว้ค่อนข้างจริงๆอย่างชัดเจน เจ้าของกุศลกรรมนั้นโดยจะรู้ตัวหรือไม่อ่าที่เราว่ามาเมื่อกี้คนไม่แยกของไม่แยกก็เห็นเขา แต่ละคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นได้แสดงฐานะของความเป็นอิถทาลมอนิทาลมให้เราได้เคยจากจตุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณ ที่อยู่กันวันนึงเนี่ยอย่างวันเสาร์อาทิตย์นี่เห็นผ่านมายังเห็นอ่าพ่อกับลูกทะเลาะกันไอ้เรื่องเปิดทีวีพ่อจะดูรายการนึงลูกจะดูรายการนึงเห็นมะมันก็กลายเป็นเอาแหม่อย่างกระเสือกกระสนอะไรนักหนาแต่ก็ไม่ถึงกับจริงจังอะไรอย่างนั้น ถ้าเรายอมรับหลักอันนี้ได้เราก็จะจะไม่ถือษาไอ้ความถือษาลด เห็นความถูกใจที่หวังได้จากฟรีไฟ 1 เหเป็นตาระมันก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงใน แปลว่าบางวันเนี่ยส่องหน้าตัวเองดูแล้ว มันค่อนข้างยังไม่ได้เป็นไปตามใจชอบจ่านักกีฬาเนี่ยเช่นเล่น ตามวาระของกุฏตนนิบังตนนี้บังในขั้นรายละเอียดตรงนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้น่ะเป็นสิ่งที่เอ่อผู้ ที่ที่ผมพูดในสภาวะในทางพระภิกขัมนั้นเขาอธิบายกุศลวิบากอกุศลวิบากในทางละเอียดละเอียดจนกระทั่งเกินระดับ ย่างๆอันคุณสมบัติบางส่วนนี้บางไม่ได้มองย้อนกลับไปเกณฑ์ปกติกรรมของเรากรรมพื้นฐานของ คนนี้ 50 ก็มองจาก 50 ขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าเอาตรวจบิเกตแต่ถ้า 20 เขาก็เป็นสมาชิกคือพูดง่ายๆเหมือนกับ บางผลอาจจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าทั้งหมดเหล่านั้นก็คือผลมะม่วง เราถึงมองไปถึงว่าไอ้ไอ้การที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ในทางปิตถาลมเราก็ก็เห็นว่าที่อวุธเจ้าว่าตนเราก็เคยเกิดมาแล้วนรกเราก็ตกมาแล้วทั้งมันก็ เหมือนแต่ชีวิตของเราเดี๋ยวเนี้ยไอ้ภาพแคบๆที่เรามองเห็นว่าเดี๋ยวอิสราลมเดี๋ยวนิทาลมนรกที่ตาสวรรค์ที่ตาแล้วก็น่ากลัวน่าอ่าภูมิ 31 ที่เราเกิด พบในภูมิเหล่านั้นเหมือนกับเราหลงในอารมณ์ต่างๆตาตะที่ดีทั้ง 18 นั้นว่าอทวิปัญจวิญญาณ 10 หรือ 5 2 ส่วนนะแปลตามชื่อ 2 ปัญจแปล 5 วิญญาณก็คืออ่า ในอารมณ์ต่างๆเราเรียกในภาษาสิกปะวิญญาณ 5 2 วิญญาณ 5 2 ส่วน 5 ส่วน 1 เป็น 5 ส่วน 1 เป็นอกุศล 5 ก่อนแล้วก็แสดง ที่ว่าแยก 3 ส่วนนั้น 2 ส่วนนั้นแยกโดยกรรมนะฮะแยกโดยกรรมคือเป็นปฏิกมี <bunker。S> 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นกุฏผลวิบากส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นอกุฏผลวิบากส่วนหนึ่งนี่แยก อันอุเบกขามีเกิดจากอกุศลก็มีแต่ที่อ่าไม่ซ้ำที่บากกันได้ก็ 12 กายวิญญาณ 12 นั้นเป็นทุกขสหคตะดวงหนึ่งเป็นสุขสหคตะ เป็นอกุศลวิบากเท่านั้นที่ประกอบด้วยสุขนั้น 2 โสตวิญญาณ 2 ฆานะวิญญาณ 2 กิวหาวิญญาณ 2 อ่าซึ่งเป็นกุศลวิบากซึ่งเหมือนเป็น อทีท่านกล่าวว่าจักขุวิญญาณโรสตวิญญาณคณะวิญญาณจิวหาวิญญาณทั้งที่เกิดจาก รวมถ้าจะถามว่าอยู่ที่ไหนดวงเนี่ยครับถ้าจะถามว่าอยู่ที่ไหนอัต กุศลที่บาปจักสุวิญญาณใดที่เห็นรูปที่ไม่ดีจักสุวิญญาณนั้นเป็นอกุศลคือ ถ้าเราจะนึกในขั้นหลักการพูดอย่างคุณละเอียดแล้วก็ถ้านึกในแง่เช่นสมมุติว่าเราได้เห็นคนคน ถ้ากล่าวในแง่ประสบการณ์เราเนี่ยเราก็จะกล่าวเป็นลุมๆว่าเห็นคนนี้เป็นการเห็นดีหรือคือเจโรกแม้โชคดีเหลือเกินที่ เราได้เห็นคนเมื่อใดที่คนนั้นยังไม่คลาดทางท่านเอาเป็นขนาด เป็นทีแรกเป็นกุศลนิบัตเวลาเห็นคนไม่เห็น เห็นทีและจุดทีละจุดนั้นเห็นจุด 1 เนี่ยเป็นกุศลนิบาตเห็นจุดอื่นอาจจะเป็นอกุศลเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เห็นต่างเห ก็กลายเป็นอกุศลนิบาตหมุนเวียนกันไปอย่างนี้จึงบอกว่าเราเจอคนคนหนึ่งในชั่วระยะๆแต่ เราก็เห็นได้ชัดว่ามันหมุนเวียนไปเรื่อยๆใช่จริงตรงนี้น่ะถ้า ว่าพบคนพบคนหรือได้คนใดคนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ประพฤติถูกใจเป็นๆกันนะ บางคนก็ข้างไม่ไม่ดีมาก่อนข้างดีมาทีหลังที่เป็นอย่างนี้ ที่มาเป็นคู่ปองกันรูปแม้จะเป็นรูปเป็นเต่าเป็นเพื่อนเป็นครูบานะฮะมีทั้งเอ่อเพื่อนมีทั้งหักหลังยิ่ง มีบาปกรรมเก่าทั้งนั้นมันเกี่ยวเช่นถ้าเป็นคู่สามีภรรยาใดที่เคยทําบุญร่วมกันมาด้วยแล้วก็ๆใช่หรือไม่ใช่ใช่มั้ยฮะ แล้วก็ถึงคราวทําธุรกิจการ เสพผลของกุศลนิบาตนั้นร่วมกัน 2 คนขึ้นในชีวิตจริงๆอย่างที่เราเห็นกันนะแม้แต่ 2 อย่างไปด้วยกันก็มองในแง่อยากเรื่องๆหรือเป็นคนๆเป็นส่วนคร่าวๆ2 คนนี่นะคงจะทําบุญด้วยกัน 100% นะแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเออแหมแต่ว่า ไอ้พูดดีเค้าก็เค้าก็ว่าดีไอ้ผมผมพูดถึง ตามดูได้ในชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ๆแล้วก็เอ่ออันๆในชีวิตจริงๆของเรา ในขณะโสดะวิญญาณฟังเท่านั้นขณะฆานะวิญญาณดมชิวหาวิญญาณลิ้น อารมณ์ที่เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะเป็น ว่าบุคคลเมื่อเห็นรูปเดียวกันบุคคลเมื่อเห็นรูปเดียวกันแต่ว่าคนหนึ่งเห็นแล้วคิดต่างแตกแล้วเกิดความ เฉยไอ้ความเฉยเนี่ยอ่าทําเราตีราคาไม่คือไอ้เราเนี่ยเวลาเราตีราคาในทางความนั้นเราจะตีรับรูปแล้วความรู้สึกเฉยเนี่ยเราจะไม่ตีราคาตอนนี้ ในทางจริยธรรมในทางปฏิบัติธรรมเห็นแล้วเฉยกว่าปีระคาออกแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้การเห็นแล้วเฉยเนี่ยปีระคาง่ายได้ธรรมปีระคาง่าย เป็นดาเห็นแล้วได้ยินแล้วถ้าคนที่ไม่ได้สนใจเห็นแล้วก็ถือว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นแล้วได้ยินแล้วถ้าอันตัวของกิเลสที่เราชอบเราก็ว่า เวลาเราตีราคานั้นเราจะตีราคาที่ตัววิญญาณหรือที่รูปที่จะมีวิญญาณเห็นเราจะตีราคาที่รูปที่เป็นตัวจะนํามาซึ่งความชอบใจและความไม่ชอบใจแล้วกิเลสโดยก็เกิดตรงนั้นจะเป็นอภิชฌาคือความชอบหรือโทมนัสความ ในทางจริยธรรมในทางการเนี่ยให้มองลงไปที่จักขุวิญญาณในทางกรรมด้วย อ่าแล้วก็จิวหานั้นเป็นวิญญาณที่เสมอกันเป็นวิญญาณที่เสมอกันในทางเวทนา อุปชฌชนเมื่อตาเห็นรูปแล้วชั่วไม่มีอะไรที่แตกต่างกันตรงนี้เลยไม่ว่าจะเห็นรูปดีเห็นรูปที่ไม่ดีเป็นต้นสุดเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปแล้วสภาพเวทนา คือถ้าเป็นปุถุชนภูมิระดับเห็นรูปด้วยอุเบกขาเวทนาแล้วก็เกิดอภิชฌาโทมนัสไปตามสภาพของอารมณ์เป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาความถูก ก็ไม่เกิดอภิชาโตมนัสที่เป็นกิเลสคราวนี้มาบวชดูของปัญจวิญญาณ 10 เพราะว่ากายวิญญาณ 2 ดวงที่เป็นอกุศลวิบากนั้นเป็น ส่วนวิบากนั้นเป็นสุกกะกตะอย่างเดียวก็คือว่าในขณะที่มีโผฏฐัพพารมณ์มากระทบกายประสาทจะเป็น หรือว่าอ่าดินน้ำไฟลมที่ไม่สมดุลกระทบถูกต้องบีบอันอยู่ภายใน และในขณะที่เราผัดอิยาบทใหม่ธาตุทั้ง 4 วิญญาณใดเกิดกราวมากที่สุดบ่อยเป็นเรียกว่าเป็นนิจศีลทีเดียว กายวิญญาณเราก็เข้าไปสลับฉากหรือจะต้องสลับฉากกายวิญญาณไม่ว่าเช่น ไปดูหมอละสบคือทั้งเมื่อยลาปวดเมื่อยหรือโรคในร่างกายกำเริบจักสุวิญญาณก็ไม่ทํางานโสตตวิญญาณก็เกิดน้อยกานะ อารมณ์เกิดกับเราทั้งวันตลอดเวลาเราต้องผัดเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลากายวิญญาณก็ เวลานั่งเมื่อยเราก็จะมองหรือไปเหยียบของแหลมคมเข้าถึงแม้แต่สบายเราก็จะต้องนึกใจมันก็จะวกเวียนแวะมา ถ้าจะถามว่าไอ้ที่เรารู้ตัวกับที่เรา โสตัพภะภายในที่เรารู้ไม่ได้ในคือเวลาเราสัมผัสเช่นเท้าบริเวณของแหลมคมก็จะรู้ พุทธภาวะภายนอกเป็นงั้นนั้นจะเกิดเป็นสันสวรมันไปในลักษณะเหมือนเช่นเรา ตามธรรมชาติเราก็จะมีความรู้สึก เมื่ออาหารที่เรากินเข้าไปแล้ว 6 ถึงจะอ่าให้รายละเอียดตรงนี้ได้แต่ ปวดฟันแล้วก็ปวดเฉพาะฟันปวดกระดูกก็อาจจะปวดทีละส่วนแล้วแต่เหตุที่มันคุมกันขึ้นในทางใดที่ไหน ก็ดีมีธาตุนาที่ก่อกุมในสรีระของเราเอ่อแล้วก็อ่าโปฏะภะที่มันอยู่ในสัมผัสในและถ้าเป็นความรู้สึก มันจะมีในลักษณะเออปามอยู่ข้างในจึงหมายถึงสัมผัสถูก เราจะรู้สึกเป็นลักษณะเป็นส่วนปรากฏหรือกินไอ้นี่ก็รู้สึกว่าร่างกายมันมันมันกระด้างกระด้างไม่มีความ กายวิญญาณก็เกิดอันนี้พูดนั้นให้เป็นอารมณ์เราไม่ คือมันจะไม่หลุดเหมือนจริงๆเนี่ยตาเราเห็นรูปมันมันหลุดไปรับรู้การดำเนินการวิภาควิจารณ์ของเรา 5 เลยผม 5 ว่ามันจับทั้ง จะอยู่ในสํานึกของเราเราเข้าอ่าอาใจไม่ กายของไม่รู้จักรูปของเราและนามของเราเท่าไหร่หรอในทางประสบการณ์นะเช่น มีใครบ้างที่หายใจเข้าแล้วรู้สึกได้ว่ามีอะไรมันมักบ้างที่หายเราก็รู้สึกได้ว่าหายใจเนี่ยมันก็รู้สึกอ่าสัมผัสที่ปลายจมูกแต่มีใครเป็นไอ้ละอองโปรดเล็กๆ หายใจเข้าแล้วมันต่ําต่ําหมดนะต่ําปลายจมูกต่ําตรงไอ้ทางเดินลมหายใจหายเรารู้มั้ยฮะเราก็ไม่ กำหนดพุทโทเข้าอ่าพุทออกโทเข้าแล้วยังยังจับลมหายใจไม่ใช่ได้เลยใช่มะภาษาอะไรก็จะไปจับไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยจะไวมากเนี่ยสมมุติ พอเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของกรุงเทพฯเนี่ยท่านจะเปลี่ยนนะถึงจะนั่งหลับตามาก็ๆเนี่ยไวไวเหลือ เรานี่คือวิญญาณอย่างนั้นได้ยังไงๆเนี่ยโยงโยงต่างๆกันเรายอมรับไม่ว่าคนเราเนี่ยมีมีความสังเกต แล้วก็บางคนไม่เคยรู้เดินผ่านก็เนี่ยใครเดินผ่านมาไม่รู้ไอ้จะไปบอกพ่อแม่ก็เค้าสํารวมมากนี่โคม ที่เรียกว่าเส้นไวรู้สึกไวมากแต่คนน่ะนั่งห่างห่างนะครับถ้าไปอยู่ใกล้ๆคนที่เค้าเจริญสติเนี่ยต้องตัวเองมีอ่าต้องต้องเรียกว่ารักษา ทำลาจิตดีว่าเราตั้งตั้งจิตให้ดีแต่ตาไม่งั้นเค้าจับได้หมดว่าเนี่ยมา จากเราก็คิดว่าเนี่ยจากสุวิญญาณที่อ่าระบบของ